พูดถึงพระมหาประชาปดีโคตมีเทรีเนี่ยนะในเทร เ, เทรีคถาหน้า239กล่าวว่าพระเทรีรูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระท่านบังเกิดในเรือนผู้มีสกุลกรุงหังสาวดีรู้เดียงสาและกำลังฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาเห็นพระาศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งเอาไว้ในตำแหน่งเอตัทคะ เป็นผู้เลิศของภิกษุณีผู้รัตตันยูก็เลยทำกุศลละก ร, รมให้ยิ่งยวดขึ้นไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาตาแหน่งนั้นคือเห็นแล้วก็เลื่อมสายะนะพอเลื่อมสายก็ตั้งความปรารถนาบ้างหลังจากนั้นก็ทาบุญมีทานเป็นต้นจนตลอดชีวิตเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในเท ว, วดาและมนุษย์เนี่ยตลอดแสนกับพอในกับนี้ก็จะบังเกิดเป็นหัวหน้าทาสี500ในกรุงพาราสี ในสมัยที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าคือระหว่างพระผู้มีพระภาคพระนามว่ัสสาปะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายครั้งนั้นนางได้เห็นพระปะเจ ก, กับพุทธเจ้าห้าองค์ในวันเข้าพรรษาลงจากเงื่อมเขานั้นท่ามูลกะมาที่อิสิ ป, ปั ต, ตนะแล้วก็เที่ยวไปบินทบาทก็กลับไปในป่าอิสิ ป, ปั ต, ตนะอีก นีก็จวบวันใกล้อ่าวันใกล้ข้าพรนศาอย่างนี้นะท่านก็สแสวงหาหัตถกรรมเพื่อสร้างกุฏิในวันเข้พาพรรษาก็แสดงว่าในปายสิบปั ต, ตนะก็ไม่มีกุฏิอะไรอยู่ตรงนั้นนางก็ได้ชักชวนหญิงรับใช้เหล่าอื่นและสามีของตนของตนให้ช่วยกันรสร้างกุฏิ5้าหลังนะนะพร้อมด้วยบริวารนะนะสร้างไม่ใช่สร้างเฉพาะกุฏินะก็ยังสร้างที่จงกรมเป็นต้น ตั้งเตียงตั้งน้ำฉันน้ำใช้และพาชนะเป็นต้นเอาไว้เสร็จนิมนต์พระประเจกพระพุทธเจ้าเพื่ออยู่จำภรรษาเนี่ยตลอด3มเดือนในที่นั้นนั่นเองจึงตั้งพิกษาไว้ถวายตามวาระกันก็คือแบ่งเวรการทำบุญน่นะหญิงคนใดไม่สามารถจะถวายพิกษาในวันที่ถึงวาระของตนได้นางก็จะนำเอาพิษาจากเรือนของตนเนี่ยไปถวายแทนไม่มีใครทาก็เอาแทนนางปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไตรมาส ถึงวันปวารณานางก็ให้ทาสีแต่ละคนเนี่ยสละผ้าสาดกคนละผืนรวมเป็นผ้าสาดกเนื้อหยาบเนี่ยห้า้ผืนแล้วก็ให้จัดผ้าเหล่านั้นเป็นไตรจีวรถวายแก่พระประเจกพรพุทธเจ้าห้าองค์พระประเจกพรพุทธเจ้าทั้งห้าองค์เนี่ยหลังจากที่ออกพรรษารับผ้าอะไรเบ็ดเสร็จท่านก็เหาะไปสู่ภูเขาคันธม่าต่อหน้าหญิงเหล่านั้น ถ้าได้ทำบุญกับพระที่เหาะไปต่อหน้าต่อตานี่ยก็คงเลิม่มสมนัตเป็นอย่างมากเลยแหละยิงเหล่านั้นทุกคนได้ทำกุศลจนตลอดชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกหัวหน้ายิงเหล่านั้นจุติจากเทวโลกนั้นก็มาบังเกิดในเรือนของหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านช่างหกกรุงพารณาณสี เจริญเติบโตจนรู้เดียงสาแล้วพบพระปเจกกับพุทธเจ้า500องค์ซึ่งเป็นพระโอรสของพนางปทุมวดีก็รู้สึกนึกรักไหว้ท่านทุกองแล้วก็ถวายพิกษานี่ยนะก็ถวายตามที่มีอยู่นะท่านเหล่านั้นชันเสร็จก็กลับไปยังภูเขาคันธมาศหญิงหัวหน้าทาสีเหล่านั้นทํากุศลจนตลอดชีวิตเที่ยวเวียนไหวยอยู่ในเทวดาและมนุษย์นี่ยนะถือปฏิสนธิในราชมนเทียนของพระเจ้ามหาสุปปพุทธ กรุงเทวะทะหะถ้าถ้ากล่าวอีกในหนึ่งนะจะเห็นชัดว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสงเคราะห์ผู้มีบุญทั้งหลายเนะี่ยท่านจะไปเที่ยวสงเคราะห์นะถ้าใครที่ทําบุญตั้งความปรารถนาะที่จะบรรลุมรรคผลในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเอาไว้อย่างนะี้นะเขากําลังไปตกไปยากที่ที่กำลังหาช่องทางจะบําเพ็ญบุญต่อไปเนี่ยท่านจะไปสงเคราะห์ท่านเหล่านั้น ผลที่พระประเจกขึ้นเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะได้ช่วยสงเคราะห์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ให้ทานเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดได้ให้ทานบางทีก็ท่านก็แนะนําให้รักษาศีลเป็นต้นพูดถึงพนางประชาบดีโคตมีคนเนี้ยนะพอเกิดในมนเทียนคือวังของพระเจ้ามหาสุปปาพุทธก่อนแต่ภาษาสดาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ได้ชื่อตามโคดว่าโคตมี เป็นพระกนิตถาคินีคือน้องสาวของพระนางศรด็มหามายาแม้พวกหมอดูลักษณะก็ได้พยากรณ์ว่าทารกทั้งหลายที่อยู่ในท้องของหญิงทั้งสองคนนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าสุโธทนะมหาราชก็เลยทรงทํามงคลทั้งสองพระองค์นําไปยังพระราชมนเทียนของพระองค์ในเวลาเจริญพระชนนี่นะก็รู้ว่าโหลูกขึ้นมาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมดเนี่ยนะก็เลยเอามาเป็นมเหสีไว้หมดเลย ทีนี้ต่อมาเมื่อภาษาสดาของเราทั้งหลายเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นทรงประกาศระธรรมจจากอันประเสริฐทำการอนุเคราะห์โปรดเวนยศาสตร์ทั้งหลายในที่นั้ น, น, นโดยลำดับพระองค์ใทรงอาศัยอยู่ในกรุงภัยสาลีประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาพระเจ้าสุโธธนามหาราชก็ทำให้แจ้งเป็นท่ารหันเสด็จดับขันปริณพานภายใต้พระมหาเวตฉัตร ทีนี้พอพระเจ้าสุโธธนะปรินิพานอย่างเงี้ยพระนางประชาบาดีก็ประสงค์จะบวชนะเนี่นนพอจริงๆลูกก็บวชกันเกือบหมดไปแล้วใช่ไหมพนันทะพระราหุลพระอะไรก็บวชกันหมดแล้วนะอยู่วังก็เหงาแล้วพอรู้อยู่แล้วว่าตําแหน่งกษัตริย์เนี่ยจะไม่ไม่ตกอยู่ในในในสายตัวเองนะนะสายเลือดตัวเองก็จะไปอยู่ในตระกูลอื่นแล้วจะต้องไปโน่นอะอยู่ในเชื้อสายของ น้องๆของพระเจ้าสุโธธนานะเพราะว่ารัชทายาทที่ควรจะครองบัลลังก์ออกบวชกันหมดแล้วมันก็ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในวังอีกต่อไปก็เลยอยากจะบวชนีก็ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้สตรีเข้าบวชคือที่ยังไม่อนุญาตเนี่ยเพราะว่าพระองค์ก็อุปมาว่าถ้าเรือนหลังไหนมีสตรีมา ก, ก น, นะ พูดแบบสํานวนโบราณห่อนะสมัยที่การศึกษายัางไม่เหมือนกับสมัยนี้เนี่ยทันตระกูลในมีสตรี ม, มากตระกูลนั้นโดยมากก็จะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนนั่นแหละไม่ไม่ยาวนานอะไรเทันโปรง่งก็คอยกีดกันและอย่างหนึง่งผู้หญิงถ้าเข้ามาแล้วก็มาบวชกันเยอะเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนั่นแหละแม้กระทั่งที่จะอยู่ครองชีพอ่ะนะถ้ายังบวชตั้งแต่อายุกันน้อยๆเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะอ่อบ่ยรอบด้านไปหมด นั้นพระองค์ก็เลยยังไม่อนุญาตในตอนแรกทีนี้ในครั้งที่สองนางก็เลยตัดพระเกศานุ่งหมผ้ากาสายะหลังจากที่พระองค์แสดงกราระหะวิวาทสูตรได้เสด็จไปกรุงเวสาลีกับพวกหญิงบาดปริจาริกาของสักยะกุมาร500ซึ่งประสงค์จะบวชก็ได้ให้พระนน์เนี่ยทูลอ้อนวอนภะษาสดา หลังจากนั้นก็ได้บรรประชาอุปสมบทด้วยครุธรรม8ปดประการส่วนหญิงที่เหลือก็ได้อุปสมบทพร้อมกันทั้งหมดอันนี้เรื่องแบบย่อๆนะส่วนรายละเอียดโดยพิสดารก็นู่นใ น, ใ น, ในวินัยเนี่ยนะิกุณีคันธกะเนี่ยนะเล่มที่ฉบับนี้ก็อยู่เล่มเก้านะจะมีเนื้อหารายละเอียดอยู่แล้วก็อังคุตรนิกายอัถกะนิบาศก็มีอยู่บ้างนะ ทีนี้ฝ่ายพระนางมหาประชาดีโคตมีได้อุปสมบทอย่างนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายอภิวาสและก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาก็แสดงธรรมแก่พระนางแล้วพระนางก็เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดานภาคเพียรภาวนาอยู่ไม่นานนะักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แวดล้อมด้วยอภิน ญ, ญาและปฏิสัมพิทา่ก็ได้อภิน ญ, ญาหกนะปฏิสัมพิทาสี่ ก็ไม่แปลกใจอะไรนะเพราะบำเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนามาตั้งแสนมหากัาบแล้วส่วนพิสุนีอีก5้าร้อรูปที่เหลือเนี่ยนะก็ได้อภินยาหกตอนที่จบนันทโกวาทสูตรเนี่ยนะันก็เป็นสูตรที่น่าสนใจมากนะคุณนงที่เอาไปนะน่าอ่านมากนะเพราะเขาบรรลุกันเยอะนะสูตรนันะ่น่ะภายหลังวันหนึ่งพระาศาสดาประทับนั่งในถ้มกลางหมู่พระอาริยะในพระวิหารเชตวันเนี่ย ก็ทรงสถาปนาภิกษุณีไว้ในตำแหน่งจึงทรงสถาปนาพระมหาปชาปดีโคตมีเถรีเอาไว้ในตำแหน่งเอตะทคฆะเป็นเลิศของภิกษุณีฝ่ายรัตตันยูคือผู้รู้ราตรีนานของเรานี้มีใครจะได้รับพยากกับผู้เจ้าองคนาน้างหรือเปล่านะอาาเคสอนสนใจไหมให้รับพุทธพยากรยิ่งกสนใจเอตะทคฆะไหนอ่ะแสดงว่าปาถนาแล้วนะอ๋อพ้นทุกเอานึกว่าเอตะทคะ Ờ, อ๋อเอตัทธะคะด้วยบรรลุด้วยเนี่ยนะเนี่ยเขาป่าถนากันแบบเนี่ยนะแล้วแล้วคุณนะคุณนงอ่ะไม่เอาบ้างนะบรรลุ ด, ด้วยเอตัทธะคะด้ว ย, ยอย่างใดอย่างหนึง่งโอ้สันโดดจังเรื่องนี้สันโดดในบุญแล้วครับคุณกอ ใ, <น S 1> ใจไม่เอาบนะ้างอ่ะก็เลยยังไม่กล้าคิดอะไรเท่าไหร่คุณบุญชูไม่ท้าวแล้วเขาไม่ค่อยแน่หรอกอีกพักหนึ่งบรรลุได้เร็วก็ยิ่งดี อีกพักหนึ่งเอถ้าได้เอตัทธะก็ไม่เร็วนางก็รับเอบตัคธะนั่นระัตัญยวนะคือบวชนาก น, นะนวกว่าเพื่อน่ะบรรลุเร็วกว่าเพื่อนวันหนึ่งเมื่อจะพยากรพระรหันต์โดยมุก ค, คือแนวทางคือการสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าและความที่พระนางเนี่ยมีอุปการะกอดต่อภาษาสดานเนี่ยนะก็เลยตรัสเป็นคาถาเ่านี้ว่า ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงหม่อมฉันขอนอมน้อมแด่พระองค์ผู้ทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมฉันและชนอื่นเป็นอันมากให้พ้นจากทุกข์หม่อมฉันกําหนดรู้ทุกข์ทั้งปวงแล้วเผาตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เหือดแห้งแล้วได้เจริญมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดได้บรรลุนิโรธแล้วเนี่ยนะก็คือทำกิจในอริยสัจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ของเราเนี่ยทาวารไหนทําบ้างแล้วทาวารตาลืมตาดูทําเห็นอนะริยสัจนะหูจมูกลกิ้นกายใจเนี่ยนะเออนี้ทุกนะตัณหาในก่อนเป็นเหตุให้เกิดทุกเหล่านี้ถ้าเล่าวิปลาสในสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหละที่สุดแห่งทุกอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติคือการกําหนดรู้ทุกละวิปลาสนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ตรงที่สุดเหมือนกัน้นถ้าทํากิจอันนั้นได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นางก็กล่าวแต่ว่า ชนทั้งหลายเป็นมารดาเป็นบุตรเป็นที่ดาเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายกันมาในชาติก่อนๆกันะชาติก่อนมาี่ก็ความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในวตาก็อย่างนี้แหละม่อมชั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่พบที่พึ่งจึงท่องเที่ยวไปเนี่ยนะเพราะไม่เห็นอริยสัจตัณหาก็พานําเกิดไปเนี่ยรื่อยอนนะกระดูก ชาติหนึ่งนะอ้กับหนึ่งเนี่ยถมไว้ก็เนี่ยที่เราอยู่ภูเขาเนี่ยให้นึกถึงว่ากระดูกกับหนึ่งก็เนี่ยเท่าเข า, าลูกนี้เนี่ยเหมงกันก็หม่อมชันได้พบพระผู้มีาพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลว้วอัตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายชาติสงสารสิน้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีพอทากิจอริยสัจตรัสรู้อริยสัจยางไงก็ขันเนี่ย ไม่อย่างลงในครันใครอีกต่อไปแล้วว่างั้นจะไม่เกิดในใครจะไม่เกิดในภพทั้งปวงอ่ะนะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วขอพระองค์ทอดพระเนตรสาวกทั้งหลายผู้ปรารบความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบัน่นมั่นคงเป็นนิดมีความพร้อมเพียงกันทําโลกุตระธรรมให้ประจักษ์แก่ตนอย่างนี้นี่เป็นการถวายบังคมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนีย่ยนะที่บอกว่า เอสาพุทธานวรรธนาเนี่ยนะความว่าการกระทําให้ประจักษ์แก่ตนซึ่งโลกุตระธรรมอันเป็นศรีระธรรมของพระศาสดาและเป็นอริยะภาวะของพระอริยาสาวกทั้งหลายอันใดนั่นเป็นการถวายบังคมคือน้อมไปในพระคุณตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธะทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะน้อมไปหาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอะ่ะก็ต้องน้อมไปเพื่อเห็นโลกุตระธรรม ถ้าน้อมยังไม่เห็นโลกุตรธรรมก็ชื่อว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอะไรเนี่ยนะเพราะอะเพราะเรายังไม่ได้ถึงความเป็นสาวกของพระองค์งนั้นผู้ที่จะววนทานนอบน้อมต่อพระองค์ก็ต้องภาคเพียรพยายามในการอบรมสัมมาปทานสี่มีจิตเนี่ยมุ่งต่ออสังคตธรรมคือพระนิพพาน นางก็กล่าวต่อไปว่าพระนางเจ้ามหามายาเทวีได้ประสูตรพระโคโดมมาเพื่อประโยชน์เป็นอันมากเนอะเพราะพระองค์ได้ทรงบรรทากองทุกของชนทั้งหลายผู้ถูกพยาธิและมรณะทิมแทงแล้วนะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลังจากที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตถทุกหาประมาณไม่ได้ นี่ก็เป็นคาถาที่พยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของท่านนะนะพูดถึงประวัติของท่านบางคราวพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเมื่อพระษาสดาประทับอยู่ณนะกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีพระองค์ก็ประทับอยู่ณสำนักภิกษุณีกรุงเวสาลีในเวลาเช้าก็เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตนั่นนะคือก็ตามปกติทั่วๆไปของพระภิกษุ ภิกษุณีทั้งหลายนะเช้าก็ไปบิณฑบาตกันพอไปบิณฑบาตได้อาหารก็เสวยพัฒแล้วก็ยับยั้งอยู่ด้วยสุขในพระสมาบัติตามเวลาที่กําหนดไว้ในสถานที่พักกลางวันของพระองค์นะบิณฑบาตชันเสร็จนะก็ท่านก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเช่นกิจในการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ท่านก็ไม่ได้มีปัญหากิจในการปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นต้นของท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยพอ ฉันอาหารเสร็จก็เข้าพระสมาบัติทีนี้พอออกจากพระสมาบัติตามเวลาที่กําหนดเอาไว้ก็พิจารณาถึงการปฏิบัติของพระองค์ก็โสมนัสเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติพ้นจากวัตฏะได้จริงๆก็เลยรำพึงถึงอายุสังขารของพระองค์อีกต่อไปเนี่ยนะพิจารณาถึงวิบากและกรรมชรูปนะว่าไปถึงไหนแล้วก็ทรงรู้ว่าอายุสังขารเหล่านั้นเนี่ยสิ้นแล้วกันนะ คือคำว่สิ้นแล้วก็คือแปลว่าใกล้จะตายแล้วละ่ะตรวจตูอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยตายแน่เหมือนกันก็เลยดําริอย่างนี้ว่าถ้าอะไรเราจําจะไปพระวิหารขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วอําลาพระเถระทั้งหลายและเพื่อนสัพพมจารีทุกรูปซึ่งเป็นที่เจริญใจของตนํานวนแปลไทยๆว่าจะขอลาตายเนี่ยนะก็ไปลาพระพุทธเจ้าไปลา พ่อเระไปลาเพื่อนทั้งหมดเลยนะ่าจะดับขันปรินิพานนันะนะแล้วก็กลับมาปรินิพานในที่นี้นี่แหละก็คือจะปรินิพานแถวกุฏิตัวเองนี่แหละแต่ว่าจะไปลาพระพุทธเจ้าสัก่อนนั่นแหละภิกษุณีห้าร้อยรูปผู้เป็นบริวารของพระนางก็มีความปริวิตกเหมือนกันน่นะภิกษุณีห้าร้อยรูปนะแล้วภิกษุณีอื่นออีกอมาพิจารณาเวลาเดียวกันอะ่ะเออนัอ่นนะ เวลาจะตายพร้อมกันเกือบทั้งหมดนนะพิสุนีเนี่ยเกือบจะล้างบางวันเนี้ย oh. เกือบเกือบจะล้างบางเลยเหมือนนเนอะตำแหน่งใหญ่ๆพระเทรีองค์ใหญ่ๆเนี่ยนะมาปริณิพานรุ่นนี้เกือบทั้งหมดเลยอ่ะพันข้อความในคำเพียประธานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นประทีปสองโลกให้สว่างสวเป็นทารถี ฝึกนรชนประทับอยู่ณนะกูตาคารศาลาป่ามาหาวันกรุงเวสาลีะนะคำนี้นี่โหชื่นชมพระพุทธคุณมากเลยนะฟังให้ดีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าคำนี้ก็หมายถึงว่าผู้มีพาคธรรมทั้งหลายะนะคือผู้มีส่วนแห่งปัจจัยสีผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดผู้มีคุณธรรมคือจำแนกแจกแจงพระธรรมคําสอนแจกแจงพระไตริฎกนะนะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทนะัศนะนะบริบูรณ์ด้วยสติปัฏฐานสัมมาประทานอิทิบาทอินทรพละโพชฌงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ชเนี่ยนะฌานสีน 4, อน่อัปปมัญญาสี่อพินยาหกหรือว่าแม้กระทั่งจตุเวสารัชยานตลอดจนถึงเรียกว่าทศพลยานเนี่ยอาสาธรนัณยานะ มันคำว่าพระผู้มีพระภาคคือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมของความเป็นพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงพระองค์เนี่เป็นประทีปส่องโลกให้สว่างสวัยเป็นประทีป น, นะเพราะพระองค์ไปที่ไหนเนี่ยกำจัดความมืดแห่งสับปสัตยังไหเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาใดก็ทําให้โลกสว่างสวัยกําจัดความมืดพระพุทธศาสนามีขึ้นมาในโลกก็สอนสับปะสัตให้อนนะให้สว่างสว่างนี่เห็นอะไรก็เห็นอริยสัตว์เป็นต้น อย่างน้อยที่สุดพื้นฐานก็มองเห็นกรรมมองเห็นผลของกรรมมองเห็นกรรมก็คือส่องถึงกรรมในอดีตที่มาให้ผลในปัจจุบันก็ส่องถึงกรรมในปัจจุบันที่จะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันนี้ก็ส่องให้เห็นอดีตส่องให้เห็นอนาคตตลอดจนถึงรู้ความเป็นไปแห่งกรรมผลของกรรมในปัจจุบันนี้ถ้าสูงยิ่งไปกว่า น, นั้นอีกเนี่ยนะก็รู้แม้กระทั่งธรรมะที่สงบประงับดับกรรมทั้งมวลคือพระนิพพาน ด้วยการแทงตลอดอริยมรรคเนี่ยนะมันก็แสดงว่าทําให้เห็นอริยสัจพระองค์เนี่ยส่องให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นอริยสัจและพระองค์ก็ฝึกเป็นสารถีที่ฝึกนรชนคือฝึกเวนยสัจเนี่ยนะฝึกยังไง น, นะฝึกก็มาจากวินยัยนะวินัยแบ่งออกเป็นสังวรวินัยกับปหานวินยัยสังวรวินัยก็มี5้าปหานวินัยก็มี 5. ้าพานั้นพระองค์เนี่ยฝึกให้เวนัยสัตจเนี่ย ดำรงอยู่ในสังวรวิันในปหานวินยันนยสามารถที่ตรัสรู้มักผลนิพานได้นะเพราะพระองค์เนี่ยฝึกให้สัตว์เนี่ยทำกิจในอริยสัตว์นั่นเองทีนี้ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเนี่ยนะพระมาตุฉาคือพระน้านางของพระชินเจ้าเป็นน้าของพระชินเจ้าชินคือผู้ชนะมานห้านะ ชนะคือชนะมารชนะกิเลสมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารมัจุมารคันธมาเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพชินะคือชนะม า, ะม า, ารทั้งห้าพุทธาก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจอยู่ในสำนักของพระภิกษุณีอยู่ในบุรีอันรื่นรมนี่นะคือพระประชาบดีเนี่ยเป็นนางของพระเออเป็นนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ในเมืองเขตเมืองภัยสาลี พร้อมด้วยภิกษุณีห้าร้อยรูปภิกษุณีเหล่านั้นทั้งหมดก็พ้นจากกิเลสแล้วก็เป็นพท่ารหัสกันหมดนั่นนะพระมหาประชาบดีโคตมีนั้นนั่งอยู่ในที่สงัดสงัดนี้แค่ไหนก็คือหลังจากเข้าพระสมาบัติออกมาก็มาตรึกอย่างนี้ว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอัครส า, าวกก็ดีของพระราหุลพระอนุลและพระนันทะก็ดีเราจะไม่ได้เห็นเห็นไหม ก็แปลว่าแม่ก็มาคิดนะเ อ, อ้เราเนี่ยไม่ได้มีเวลารอดูวันตายของลูกนะอันนี้คำพูดนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าแม่จะตายก่อนนั่นเองนั่นนี่ก็เหมือนกันบอกว่าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมกขลานะพระอาราหุนพระนนทพระนันทะท่านก็ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นเวลาปรินิพานของท่านเหล่านั้น จำเราที่พระโลกนาตผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทรงอนุญาตแล้วพึงปรงอายุสังขารแล้วปริณิพานก่อนการปริณิพานของพระพุทธเจ้าหรือคู่พระคราสาวกพระมหากัสปะพระนันทะพระอนนท์และพระราหุลก็คือจะไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าก่อนท่านใช้คําว่าพระโลกนาตผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะพระโลกนาต์ โลกะก็คือโลกนะหมายถึงสัตว์โลกทั้งหลายนาถะแปลว่าที่พึ่งนาตตัวนั้นแปลว่าที่พึ่งอันพระโลกกับนาตก็คือผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งมวลเนี่ยนะผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกผู้ช่วยสัตว์โลกนั่นเองมันก็จะขออนุญาตพระองค์ภิกษุณีทั้งห้าร้อยรูปก็ได้ตรึกอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยนะที่เป็นบริวาร น, นะนะแม้พระเขมาภิกษุณีเป็นต้นก็ตรึกเช่นนี้เหมือนกันนนะพระเขมานะพระ เทรีทั้งหลายแหละเนี่ยผ้าอรหันที่อรหันเทรีที่มีคุณธรรมนะโดยมากอะ่ะมาคิดกันอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นพอผ้าอรหันเทรีเกือบโดยมากเนี่ยมาคิดกันอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยทําให้เกิดแผ่นดินไหวกันทั้งนั้นนะนะเกิดให้เกิดแผ่นดินไหวกลองทิพย์ก็บรือลั่นขึ้นเองถวยเทพที่สิงอยู่ในสำนักของภิกษุณีก็ถูกความโศกเนี่ยบีบคั้นนั่นะเทวดาเสียใจเพราะงั้นเทวดายัางสะอื้นนะนะ พร่ำเพอกันอยู่อย่างน่าสงสารหลังน้าตาแล้วในที่นั้นคิดดวมจะตายกันแทบเหมือนว่าจะล้างวัดเลยนะผ้ า, ารหันทั้งหลายที่ปกติมีแต่ผ้ารหันเข้าพระสมมาบัตมีคุณธรรมเหาะได้รู้วาระจิตมีความพิเศษอื่นๆทั้งหมดแล้ววัดมันจะล้างภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยนะเทวดานี่สะอื้นเลยพิกสุนีทุกๆรูปพร้อมด้วยทวยเทพเหล่านั้นก็เข้าไปหาพระมหา โคตมีภิกษุณีสบศีรษะลงแทบพระบาทแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกเราถูกหยดน้ำคือวิมุติรดแล้วเนี่ยนะก็คือถูกน้ำคืออรหัตผลเนี่ยราดรดกันหมดแล้วในสำนักภิกษุณีนั้น่ะมาด้วยกันอยู่ในที่รับแผ่นดินนั้นก็ไหวสั่นสะเทือนกลองทิพย์ก็บลือลั่นขึ้นเองและเราได้ยินเสียงคร่าครวญข้าแต่พระโคตมีจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้น แน่อ น, นะก็ท่านก็มาถาม น, นะว่าทำไมเนี่ยเหตุการณ์ทาไมมันพิเศษเหลือเกินครั้งนี้ครั้งนั้นพระมหาประชาปีโคตมีภิกษุณีก็ได้ตรัสบอกถึงเหตุตามที่ตนปริวิตตกแล้วทุกประการอ น, นะก็คือตรึกถึงว่าจะไปลาพระพุทธเจ้าเพื่อดับขันปรินิพานเนี่ยนะลำดับนั้นภิกษุณีทุกๆรูปก็บอกถึงเหตุที่ตนเนี่ยปริวิตตกเหมือนกันก็เลยบอกว่าข้าแต่พระแม่เจ้า ถ้าพระแม่เจ้าชอบใจการนิพพานอันเกษมอย่างยิ่งไซถึงข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะนิพพานกันหมดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตพวกข้าพเจ้าได้ออกจากเรือนจากภพพร้อมด้วยพระแม่เจ้าออกจากเรือนก็คือออกมาบวชนะออกจากภพคือบรรลุปเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยแม่เจ้าจากไปสู่นิพพานเนี่ยนะจะไปสู่เมืองนิพพาน อันนี้เป็นข้ออุปมานะไม่ได้หมายว่าแหมเมืองคือมีกำแพงแก้วกำแพงขวดอะไรที่ไหนไม่ใช่อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาว่าอาสังคตธรรมอนะอาสังคตธรรมคือนิพานอันยอดเยี่ยมพร้อมๆกันกับแม่เจ้านะออกบวชพร้อมกันบรรลุพร้อมกันจะนิพานพร้อมกันเหมนกันข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะไปพร้อมกับแม่เจ้าเหมือนกันภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวเสร็จอย่างนี้แล้วพระมหาประชาบดีโคตมีก็ได้ตรัสว่า เมื่อท่านทั้งหลายจะนิพพานเราจะว่าอะไรเล่านะจะไปว่าอะไรอ่ะนะ น, นิพพานด้วยกันกันแล้วกันอย่งนันแล้วก็ออกจากสำนักพิกษุนีไปพร้อมกับภิกษุนีทั้งหมดครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุนีได้กล่าวกับทวยเทพทั้งหลายที่สิงอยู่ในสำนักภิกษนนุนีนะคือท่านมีหูทิพตาทิพมีพิญญารู้วาราจิตในเรื่องธรรมดานะก็เลยบอกกระเทวดาว่าจงอดโทษแกเราเถิดนนะ แต่เมือพลาดอาหารเนี่ยท่านขอโทษเองนะไม่ใช่ว่าเนี่ยนะท่านเป็นคนที่เรียกว่าออ่อนน้อมถ่อมตัวการมีมานะนี่ไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะขอโทษเองอนะมันก็จงอดโทษให้แก่เราเถิดการเห็นสำนักพิกษุณีของเรานี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเนี่ยนะครั้งสุดท้ายนะที่จะเห็นกันเนี่ยในที่ใดไม่มีความแก่หรือความตายไม่มีการประกอบด้วยสัตว์และสังขาร อันไม่เป็นที่รักไม่มีการพลัดพลาดจากสัตว์สังขารอันเป็นที่รักที่นั้นนักป่าเรียกว่าอสังคตะสถานเนี่ยนะคืออสังคตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีสัมภ yok ทุกเนี่ยนะไม่ต้องไปเจอสิ่งที่ไม่น่ารักอีกต่อไปไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องเป็นไข้ไม่ต้องอะไรเดือดร้อนสักอย่างไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีการพลัดพลาดสูญเสียของรักด้วยนะ แก้วแตกชามแตกกรามังแตกเนี่ยนะที่เราจะเสียใจนี่ไม่มีหรอกนะงั้นไม่มีที่ใดที่จะต้องไปวิปรโยคทุกข์ก็ไม่มีสัมปรโยคทุกข์ก็ไม่มีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนนะคนที่ไม่ไม่เรียกว่าปัสโธสะเนี่ยนะจะสัมปรโย ค, ท, โ ท, ะนะโยคทุกข์โธสะนะสัมปรโยกทุกข์นะงั้นคนมากโกรธเจออะไรมันก็โกรธไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าราคะสัมปรโยคค้าแปล ว, ว่าประกอบไหม คือโทสะเนี่ยจะประกอบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจะเป็นทุกข์ส่วนโลภะเนี่ยนะวิปโยคทุกข์นะเนีคือจะต้องจากของรักก็ทุกข์อ่ะเนี่ยนะนี่ยนะสมประโยคก็คือประกอบวิปโยคก็พลัดพรากตือแปลงง่ายๆก็บอกว่าสัมประโยคทุกข์ก็คือประจวบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอันนี้ก็ทุกข์วิปโยคก็คือพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองพอใจก็ทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพานนี้ เป็นอสังขตะสถานที่ไม่ต้องสัมประโยชนกับทุกขคือไม่ต้องประจวบกับสิ่งที่เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องพลาดจากทุกข์อีกต่อไปพระโอรสของพระสุคตทั้งหลายที่ยังไม่ปราศจากราคะพระโอรสเนี่ยนะหมายถึงผู้เกิดจากอกก็นับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกาทาคามีเนี่ยนะที่ยังละตันหาไม่ได้ได้ฟังคําของพระนางนั้นนะอ่ะผู้เป็นผู้โศกกรรมสด ปริเทวนาการนะก็แม้กระทั่งพระโสดาบานันพระสกัดาคามียังสะอื้นนะเดือดร้อนใจร้องให้คร่ำครวญว่าหน้าสังเวชหนอะพวกเราเป็นคนมีบุญน้อยเนี่ยนะเนะสียใจเลยนะโอ้ยเรานี่มันบุญน้อยเหลือเกินนะของท่านได้เห็นนะท่านยังบอกกับท่านบุญน้อยกันนะนะของเรามันจะขนาดไหนนะแสดงว่าเราก็พอมีบุญอยู่บ้างอนะจะว่าน้อยมันก็ไม่รู้จะน้อยอยังไงล่นะนี่ เดียวอนะอันนันิดเดียวตั้งหลายเรื่องอันนัอายุก็เหลือนิดเดียวศึกษาธรรมะก็นิดเดียวอะไอะไรก็นิดเดียวไปหมดอ่ะนัของเราไม่น้อยคูณน้อยยกกาลังอีกไม่รู้เท่าไหร่จะเหลือน้อยๆเนี่ยนะน่าเสีนใจจริงๆเลยนะแต่ของเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมเราเฉยๆหมดอันนั้นเผ็ดมากออกมาต่ายมาไม่ฉันสักเม็ดเลยมาเช้าเนี่ยกลัวเผ็ด เหมนทั้งก็ว่าโอ้ยน่าสังเวชจริงเนอะพวกเราเป็นคนเนี่ยมีบุญน้อยเหมงอนันสำนักนางภิกษุณีนี้จะว่างเปล่าเวรภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีผู้ชิโนรสจะไม่ปรากฏเปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลายจะไม่ปรากฏเวลาสว่างเช่นนั้นนะก็เหมือนกับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นอีกเนี่ยนะโอว่าอะไรจะเกิดขึ้นมช่ไหมมืดมิดไปหมดนะนะ่ ทีนี้พระโคตมีพิษุนีก็จะไปสู่นิพพานพร้อมกับพิษุนีห้าร้อยรูปเหมือนกับแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สาครพร้อมกับแม่น้ำห้าร้อยสายฉะนั้นอะนนี้ผ่านกันหมดเลยนะอุบาสิกาทั้งหลายอันนี้เมื่อกี้เนี่ยคาร้องให้ของเทวดานะนี่ก็มาดูว่าพวกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยผู้มีศรัทธาเห็นพระโคตมีพิษุนีนั้นกาลังเสด็จไปตามถนน ก็พากันออกจากเรือนหมอบลงแทบเท้ากล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเลื่อมใสในพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าจะละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เป็นคนอนาถาเสียแลว้วนั่นนะให้เป็นคนกัมพาแล้วว่างั้นพระแม่เจ้ายัางไม่สมควรที่จะปรินิพานนั่นนะโอ้ยไม่อยากให้ตายเลยว่างั้นน่ยอุบาสิกาเหล่านั้นถูกความอยากให้ท่านอยู่บีบคั้นแลว้ว ก็คือร้องให้เศร้าโศกเสียใจว่าเหมือนกับว่าอยาตายเลยอย่าตายเลยนะยงนั้นนะทีนี้ท่านก็เพื่อจะให้อุบาสิกาเหล่านั้นเนี่ยละเสียซึ่งความโศกพระเถรีก็เลยกล่าวอย่างเพ้อพริงว่าอย่าร้องให้ไปเลยลูกเอ้ยเหมือ น, นวันนี้เป็นเวลาเรื่นเริงของท่านทั้งหลา ย, ยานะเวลาเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่สบายที่สุดไม่ใช่หรือเหือนกันความทุกข์ คือทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะขันอาญตนาธาต์เราก็ทําปริญญาแล้วเนี่ยนะทำกำหนดรู้ทุกหมดแล้วอ่ะตันหาอันเป็นเหตุแห่งทุกขเราก็เว้นขาดแล้วเนี่ยนะตัดชั้นทราฆ่าหมดแล้ววะกันความดับทุกข์เราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วทั้งมรึกเราก็ได้อ บ, บรมดีแล้ว น, นะนี่คือคําบอกกันะว่าท่านทํากิจในอริยสัตว์สำเร็จความเป็นอริยะพ้นจากวัตฏทุกข์แล้ว พระศาสดาเราก็ได้บำรุงแล้วเนี่ยนะก็คือบำรุงปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติตามคําสอนนั่นแหละคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทําเสร็จแล้วคือศีลสมาธิปัญญาที่จะอบรมเนี่ยนะทำเสร็จหมดเลยภาระอันหนักก็ปรงแล้วเ น, นี่ยนะขันธ์ท่านี้คืออันหนักก็ปรองแล้วของเรายังไม่ปรงอนะั้ไม่รู้จะเดินขึ้นเขาลูกไหนอย่งนะยัะหนักขึ้นนะกิโลแรกก็เบาหน่อย กิโลที่สองเนี่ยหนักขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะหายใจหอบแทกแทกแทกเลยนะไม้สองอันเนี่ยช่วยค้ำช่วยยันไว้ได้เลยนะแสดงว่ามันมหนักมากพระาจารย์เกสอนไปด้วยก็ก็โผล่กระเพ ก, ก, กขึ้นเขาได้กี่ลูกราลูกเนะยากเลยอะ่ะเนี่ยขันห้ามันหนักจริงๆนะพาราหันท่านบอกว่าท่านปลองหมดแล้วว่างั้นไหนพาราคือขันห้าเนี่ยปรองเรียบร้อยแล้วอันตันหาอันนําไปสู่พบเราก็ถอนเสียแล้วเนี่ยนะถอนไป ้อนหมดเลยนะตันหาที่จะนําไปเกิดในภพภูมิต่างๆท้อนหมดเลยอะ่ะของเราไม่ใช่อ่ะนะแย่ yeah, ไ้ตรงไห น, นมันจะเกิดที่ตรงนั้นได้หมดอะ่ะมันจะงอกได้ทุกผนทุกแห่งนะมนุษย์พันธุ์ดีอะไรกันนะกันนะแย่ yeah, หยอดเข้าไปตรงไหนจะขึ้นหมดอะ่ะหยอดอับายก็เ อ, อเปอร์เซ็นต์งอกที่นั่นก็มีนะหยอดไปเดราชานเออเปอร์เซ็นต์งอกก็มีหยอดมาหามนุษย์อีกแมก็ยังไม่เลวเนี่ยนะจะเกิดอีกละ หยอดไปหาเทวดาอ้ก็ดีเหมือนกันหย่อดไปที่พรหมโลกก็ดีอ่ะแต่ว่าพระอรหันต์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะนะเพราะอะไรเพราะท่านถอนตัณหาที่นำไปสู่การเกิดได้หมดแล้ว